นั่งนั่งแบบได้สบายนั่งเลยอคนน่าฟังนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบูชัส นาโ ม, า ม, ม, ามทัสสะภะคะวัโต arahato sama sambohattha นาโ ม, า ม, ม, ามทัสสะภะคะวัโต arahato sama s a m b o h a t ส h a ปุญญาณิปัลโลกัมิงปาติธาหนติปานินันต <c oughs> ิต่อจากนี้ไปพวกเราพากันตั้งใจ ตั้งสติได้ว่าถ้าเราขาดสติเส ย, ยางแล้วก็มันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับใจของเรามันก็คิดไปปรุงแต่งไปถ้าเรามีสติเป็นที่ว่าเป็นผู้คุมเป็นตัวรักษาให้สติบังคับไม่ให้ใจของเราไปตามอารมณ์อะไรใจของเรามันจึงจะสงบได้ก็ให้ฟังไปด้วยพิจารณากาย น้อมไปด้วยน้อมพิจารณากายของตัวเราเพราะว่ากายของเราเนี่ยเรายึดติดอยู่ในกายของตัวเราทุกคนเรามาเกิดแต่ลราพบราชาติก็มีตัวมีตนอยู่แบบนี้แต่ที่ที่ว่าส่วนมากมันก็เกิดเป็นสัตว์ทีสารที่เรามาเกิดเป็นคนเนี่ยเราเป็นผู้โชคดีแล้วในวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังการที่ว่า พวกเราประพฤติปฏิบัติมาแี่ว่าครูบาอาจารย์ก็มาแนะนําให้พวกเราฝึกหัดไปเรื่อยๆการฝึกหัดการที่ว่าทําไปบ่อยๆนี่ก็จะว่าบางทีถึงที่ว่าจังหวะมันมันก็จะเกิดจะเป็นไปได้อันนี้ก็ให้พวกเราที่ว่าตั้งเจตนาที่ว่าให้จริงจังลงไปให้จิตของเราเนี่ยมีความนึกคิดที่ว่า สติจดจ่อที่กายเพราะว่ากายนี่เป็นของที่ว่ามันมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นถว่ารับตาเอาใจดูเอาใจดูอ เ, อจดเอาสติประคับประคองกําหนดเข้ามาดูกายของเราที่เรามองเห็นกันเนี่ยเรามองเห็นส่วนมากเรามองแต่คนอื่นเราไม่ได้มองตัวเองอถ้าเราไม่มีสติประคับประคองไว้เนี่ย มันก็ไม่มีเหตุมีผลก็เสียเวลาไปเรื่อยๆอายุของเราก็หมดไปเรื่อยๆวันเดือนปีนะวันเดือนปีเนี่ยมันกินไปเรื่อยๆที่มันเหลืออยู่นี่เหลืออีกคนละกี่ปีอันนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าอายุของเราจะถึงวันไหนไม่ได้เลือกว่า อ, อายุน้อยอายุมากเท่าไรมันก็ตายได้ถึงเวลาอันนี้แหละก่อนจะตายก็ให้พวกเราที่ว่า ก่อนจะถึงวันนั้นให้พวกเราฝึกหัดเนี่ยฝึกหัดตายก่อนตายจริงถ้าเราที่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งฟุ้งซ่านอยู่ตามความอยากของเราตลอดไปเนี่ยไม่มีวันถ้าเราที่ว่าเป็นคนไม่รีบเร่งเอาตัวเองอลวงพ่อยังว่าถ้าไม่ถ้ายังคิดว่าวันพรุ่งนี้ของเรายังมีอยู่เนี่ย อันนั้นก็ยังช้าอยู่ถ้าใครคิดว่าวันพรุ่งนี้ของเราไม่มีอันนั้นหลัะเป็นคนที่รีบเร่งรีบเร่งเตรียมตัวตายดูให้เป็นปัจจุบันให้ดูที่ว่าสมมติขึ้นมาการดูตัวเองเนี่ยว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วว่าตัดสินใจเป็นคนที่ตัดสินใจมีลูกตัดสินใจฮึดสู้ การที่พวกเรามีความที่ว่าใจของเรามีศรัทธามันต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานคําสั่งสอนของพุทธองค์นี่ยังสมบูรณ์อยู่แต่ที่ว่าที่มันไม่เกิดไม่เห็นเนี่ยก็คือตัวเราเองตัวเรายังทำไม่ถึงตัวเราก็คิดว่ามันลึกไปมั น, นเหลือวิสัยของตัวเองเนี่ยคนส่วนมากคิดแบบนี้ คิดว่ามันเป็นของเหลือวิสัยเปียนว่ามันลึกเกินไปไม่สมควรเรายังไม่มีวาสนาบรารมีที่จะได้รู้ได้เห็นก็ทําไปแค่นั้นก็ทําไปนิดๆหน่นนอยๆไปเออเอาพอละวันนี้เราก็อ่าไม่ยังไม่มีบุญญาบรารมีคงไม่ได้รู้ได้เห็นหรอกแค่นี้ก็พอก่อนนอนก่อนนะมันก็เราเอามอเอามอนสารนังคัสามินะส่วนมากมันอยู่แค่นี้ ต้องเลยนั่นไปอีกอต้องต้องเลยตัวนี้ไปอีกอย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้มันมีสำหรับเราอย่าคิดว่ามันมีมันหมดโอกาสแล้วเราเหลือนิดหน่อยเนี่ยใกล้จะตายแล้วเนี่ยก็รีบดูว่าศพของเราเนี่ยฝึกขาดว่าถ้าใจของเรามันยังไม่เกิดความรู้ความเห็นเนี่ยมันจะที่ว่าจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเรายังห่วง หวังมาอยู่มากินมาทําการทํางานมาอยู่กับลูกกับหลานเอกเนี่ยอ่าอันนี้มันยึดติดเนี่ยความยึดติดตัวนี้ถ้าเรายังมีอยู่เนี่ยมันหวังอยู่หวังกินหวังหลับหวังนอนอยู่นี่อันนี้ใจของเรามันก็ที่ว่าจะเย็นใจอยู่นั่นแหละมันไม่รีบเร่งเอาอันนี้หลวงพ่อวิธีของหลวงพ่อเนี่ยมันรีบแบบนั้นมันไม่ได้มันบอกตัวเองเลยว่านั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคําว่าลูกของเราไม่มี นั่นมันบอกตัวเองแบบนี้มันก็เลยสู้ไปเลยอันนี้แหละความเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือว่ามันเหมือนกับมีตัวมแมลงมาเดินตามริมหน้าของเราเนี่ยมันจะเข้าริมปากมันจะเข้าตามจมูกแบบนี้แหละก็ช่างมันก็บอกตัวเองเลยสอนตัวเองบอกว่าในขณะนี้นอนจินศพของเราแล้วอ่มันกําลังไหลออกไหลเข้าที่จมูกที่ ปากเราเนี่ยกำหนดแบบนี้อันนี้วิธีวิธีสอนวิธีที่ว่าสอนตัวเองให้สอนตัวเองให้เป็นตัวเรานะให้เป็นตัวเราอย่าไปคิดว่าเราเคยเห็นคนตายเคยเห็นคนอื่นอันนั้นเป็นคนอื่นเราเห็นสุนัขตายเห็นปลาเห็นกบเห็นไก่ตายแบบนี้อันนั้นมันเป็นคนอื่นเป็นตัวอื่นให้เข้ามาที่ตัวเราถ้าเป็นศพของตัวเราแล้วเนี่ย ดูโดยสมมุติครั้งแรกเราจะดูโดยสมมุติถ้าใจของเรามันมีสมาธิแล้วเนี่ยจากสมมุตินั่นแหละมันจ ะ, ะได้ว่าละเอียดขึ้นไปเรื่อยอมันจะที่ว่าสว่างขึ้นเรื่อยคือตัวที่ว่าตัวสมมุติดูเนี่ยเห็นเป็นหนอนเห็นเป็นศพร่างกายของเรามันก็จะเห็นเป็นศพอันนี้มันจะเห็นแบบนี้อันนี้ถ้าใจของเรามันเป็นสมาธิ เนี่ยมันมันต้องเป็นแบบนั้นเลยอันนี้แหละวิธีฝึกต้องต้องเอาแบบนี้อย่าไปคิดว่าฟังไปเพลินไปเฉยๆนี่ไม่ได้โอ้หลวงพ่อนี่พูด เ, เลอะเทอะไปพูดสุกโปกไปาบางคนก็จะคิดแบบนี้แต่ที่จริงทุกคนเนี่ยจะสวยแค่ไหนก็ช่งางเราไม่พ้นาการเวียนว่ายตายเกิดของคนแต่และคนเนี่ยเราตายเราเกิดมาแล้วนี่คนละหลายล้านเที่ยวนมันเห็นแบบนั้น ถ่าใจของเราในเกิดตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาอันนี้ก็ละ่ะก็เริ่มที่ว่าการเดินครั้งแรกต้องอาศัยพุโทโธอาศัยคำว่าพุโทโธพุโทโธนี่ให้ต่อยิบอ่าแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างลมหายใจจะขาดก็ช่างมันนั่นมันเป็นแบบนี้คือสละตายเพื่อทำวิธีคือคือต้องเด็ดขาดใส่ตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองต้องอ่ต้องไป ทํานั่นทนํานี่ต้องมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราเราจะไปทําการทางานอันนี้เวลาเวลาจริงๆเราก็มีอยู่ดอกก็ไปทําเถอะเดี๋ยวเวลาทําแต่เวลาเราทำทาสมาธิเนี่ยเราฝึกหัดเนี่ยต้องน้อมเข้ามาแบบนี้นะถ้าเราตัดอะไรตัดความอะไรออกเราไม่มีพี่มีมีน้องไม่มีญาติพี่น้องขณะนี้เราจะตายอยู่คนเดียว อุปมาเหมือนกับเราอยู่กลางทุ่งหรือว่ากลางป่าคนเดียวและจะเป็นศพคนเดียวอยู่ในป่าแต่มแมลงวันน่ะมันไม่นั่นหรอกมันไม่ต้องมีบัตรเชิญหรอกถ้ามันถูกกินคนศพคนนะ่ะมันมาเองมมันมากินศพเร า, มาแมลงวันแหะจะเป็นคนเจ็บศพของพวกเรานี่ให้น้อมไปแบบนี้ต้องฝึกแบบนี้ถ้าสติปัญญาของเราที่ว่ามันพร้อมเนี่ยสติมันเข้มแข็งแล้วก็ที่ว่า มันจะเกิดปัญญาของมันเองไอ้สติของเราเนี่ยครั้งแรกมันยังไม่รอบคอบมันก็จะเผลออยู่นั่นแหละเผลอเรื่องนั่นเผลอเรื่องนี้แป๊บเดียวก็เอาไปเอามาถ้าเวทนามันทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นเนี่ยความเจ็บความปวดหรือว่ามายาที่มันมันแสดงนะมันแสดงออกมาบอกว่าเออเดี๋ยวเป็นอมภพนะนะเดี๋ยวเป็นโรคอมภพอมภาตเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเดี๋ยวทนทุกข์ไปนานๆมันจะ ต้องลำบากไปเฉยๆนั่นแหละทำไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาประเภทนี้เนี่ยกูไม่เชื่อมึงนั่นต้องเอาแบบนี้เลยต้องตัดสินใจประเภทนี้อย่าคิดว่าอย่าเอาตามใจของตัวเองหลวงพ่อว่าคนส่วนมากนั่งภาวนานี่ไปตามใจของตัวเองนะคนส่วนมากเอาตามใจหลวงพ่อไม่ตามใจตัวเองถ้าตามใจของเราเนี่ยมันบอกพักมันก็อยากพักเออนอนก่อนเถอะ วันพรุ่งนี้จึงค่อยทําไมอันนี้ถ้าตามตัวถ้าตามตามใจตัวเองเนี่ยมันก็นอนเอานอนเอาตลอดไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกอันนี้แหละให้พวกเราคิดว่าการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราแต่ละคนเนี่ยคนละหลายล้านเทีย่ยวเนี่ยให้คิดแบบนี้มามาใส่ที่ว่าความเอามาเทียบกันการที่เราอดทนการที่เราว่าความที่ว่า จะมาอดทนสู้กับทุกขเวทนาหรือว่ามายาของมันจะปิ้นป้อนออกมาที่ว่าเดี๋ยวกันเถอะอพรุ่งนี้หรือว่าวันเมื่อลือนนี่เดือนหน้าศีนหน้าไปทำนองเนี่ยอย่าให้มันมีเอาเรานั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายบอกแบบนี้อันนี้แหละวิธีวิธีของหลวงพ่อเป็นแบบนั้นอันนี่แหละถ้าศรัทธามีแล้วและสติก็พร้อมแล้วเนี่ยมันเดินไปได้เลยเพ่งเข้าไปก็ที่ว่า ให้พุทโธทียิบอย่าให้เผอคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเนกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยก็เอาเอาตามลมหายใจเข้าออกแต่ในที่สุดเนี่ยมันทุกขเวทนาขึ้นมาแรงๆเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทมันก็จะทีขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันเจ็บมันปวดแรงๆเนี่ยพุทโธไม่มีแล้วคําบริกรรมเนี่ยมันว่าพุทโธไม่ได้มันมันจะตายมันปวดมันเจ็บคำคำคำบริกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลย ตายตายตายตายตายตยมันจะไปแบบนี้แหละอากาซารพัทแหละจะเอาจะเป็นอะไรก็ช่างเราจะนั่งดูวิญญาณมันจะออกช่วงไหนคนจะตายมันต้องวิญญาณต้องออกจากร่างเนี่ยต้องดักดูเลยต้องเทวะพยายามดาูวิญญาณของตัวเองมันจะออกจากร่างเนี่ยมันดูแบบนี้อันนี้ให้เร่งเร่งรีบเอาแต่ละคนละคนอันนี้แหละการที่พวกเราเกิดมานี่เราเคยบวชมาแล้ว โยมผู้หญิงก็เคยเป็นภิกษุณีกับผู้เทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วสมัยผู้เทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี่ท่านบอกท่านก่าวไว้ในพระไตรปีดกในสามล้านกว่าองค์แต่หลายล้านปีจึงมาหนึ่งองค์ให้คิดเอาไอ้โลกใบนี้มันอยู่นี่กี่ล้านล้านปีผ่านมาแล้วให้พวกเราคิดเอาที่แต่ละคนเนี่ยหวัวใจของพวกเราเนี่ยจิตของพวกเราเนี่ย เวียน่หวตายเกิดมันไม่สมหวังเกิดมาแล้วก็มาเจอความแจ่จากนุมมาแก่ในที่สุดก็เจ็บไข้ในที่สุดก็ตายอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าเกิดมานี่ไม่สมหวังเราคิดหวังอยู่แบบนี้การท่องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดของพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันมาอยู่แบบนี้เราก็มายินดีในการที่ว่ากินอาหาอรอร่อยน่ะ มีครอบครัวมีลูกมีหลานก็รักผัวรักเมียรักครอบครัวในบุตรภรรยาของตัวเองติดมีความยึดติดว่าของเราเนี่ยมันว่าในที่สุดก็ยึดว่าตัวเราของเราแต่ในที่สุดเราก็แจ่มาเรื่อยๆแล้วก็ตายมาเรื่อยๆตายมาแล้วในอดีตเนี่ยแต่ละคนนี่หลายล้านเที่ยวบัดนี้คําสั่งสอนของพระเจ้าองค์เนี่ยก็ยังสมบูรณ์อยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้เน้นที่ว่าสติเนี่ย ตัวสตินี่ให้มันรู้เท่าอารมณ์ของเราอย่าให้มันเผออย่าให้มันแวบออกไปได้ต้องจดจ่ออยู่ ต, ต, ตลอดไปอันนี้เราวิธีของมันต้องเอาแบบนี้ถ้าใครที่ว่ามีความที่ว่าขยันขยันนึกพุโทโธแล้วว่าสู้กับทุกขเวทนาความเจ็บปวดหรือว่ามันต้องการว่ามันเหนื่อยมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยสารพัดที่มันเอาอ้อเสาะขึ้นมามายาของกิเลสตัณหา เป็นลูกมา น, นะประเภทนี้ยังเป็นลูกเป็นหลานของมันอยู่นะที่มันจะหลอกลวงเราเนี่ยมันตบไส้ตบขัวมายาของกิเลสตันหามันปิ้นป้อนสารพัดที่ว่ามันหลอกลวงสัตว์โลกที่เรามาเวียนว่าตายเกิดอยู่นี่ก็เพราะเราหลงตัวนี้เราลงเราหลงแล้วก็เรายึดว่าของของเราว่าตัวเราขาเราแขนเราตัวเราถ้าเรายังมีอัตตาตัวตนเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็ยังไม่รวม เราต้องพยายามปล่อยมันวิธีพยายามปล่อยของอาล่างรูปร่างกายตัวนี้ของหลวงพ่อวิธีของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อปฏิเสธพยายามปฏิเสธตัวเองบอกว่าไอ้ร่างกายของเรานี่เป็นก้อนดินน้ําลมไฟแอบเป็นดินก้อนดินก้อนน้ำนี่นแหละที่มันมาประชุมกันอยู่ที่นี่อารมณ์กับไฟเนี่ยเป็นผู้มาอาศัยนะต่อมาก็วิญญาณมันก็ออกไปได้ เนเวลาวิญญาณมันไม่ยึดติดแล้วเนี่ยมันก็เย็นลงมามันก็เน่าเปื่อยแค่นี้อันนี้หละบัรนี้ให้มันเป็นปัจจุบันน้อมเข้ามาเป็นปัจจุบันอันนี้หลังให้มันที่ว่าอย่าปล่อยไปตามความอยากของตัวเองแล้วก็นะความอยากของเราเนี่ยคือใจของเราเนี่มันต้องการความสุขทุกคนที่เกิดขึ้นมานี่ต้องการความสุขอยากสุขที่สุดในโลกอยากสวยที่สุดในโลกอยากรวยที่สุดในโลก คนทุกคนเกิดขึ้นมาเป็นนิสัยแบบนี้ติดที่ว่าเราเป็นอนุสัสมาที่ว่าหลายล้านเที่ยวที่เรามาลอยกระแสโลกเกิดอันนี้ถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยเราจะที่ว่ามีกาลังใจเออการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยเราเป็นสัตว์เนี่ยมันยิ่งทุกข์กว่านี้อันนี้ขนาดเราเป็นคนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเลี้ยงดูปูปกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอะไร ขึ้นมาแบบนี้ก็ยังว่ามันตายในที่สุดก็เราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายในที่สุดเรารักษาความตายไว้ไม่ได้เราต้องพัดภาคจากของรักทั้งทั้งปวงไปเนี่ยเรามีลูกเราต้องก็รักลูกรักหลานในที่สุดลูกหลานของพวกเราแม่จะนั่งล้อมอยู่พ่อแม่ป่วยไขย้ลูกนั่งล้อมอยูอ่พ่อแม่ก็ตายต่อหน้าลูกนั่นแหละะถ้าลูกจะป่วยแด้หนระถ้าลูกจะตาย แม้พ่อแม่จะเอาอุ้มไว้ใส่หน้าอกไว้แนบตัวไว้ก็ตายติดหน้าอกของแม่นั่นแหละก็อยู่แค่นี้ไอมนุษย์ของเราที่ว่าเราก็หลงยึดถือหัวแหนว่าของเราอันนี้หละถ้าใจของเรายังมีความยึดติดนะมันก็ไปไม่ได้เราพยายามปฏิเสธที่ทำนองแบบนี้ของหลวงพ่อนี่กกำหนดว่าอา้าวนอนจินศพมันเห็นนอนจินศพของตัวเองเนี่ยมันไหลเข้า ไหลออกปากไหลเข้าจมูกไหลออกทำนอนเนี่ยเวียนไปเวียนมาในที่สุดในตัวของหลวงพ่อนี่เต็มไปด้วยพวกนอนเนี่ยนอนกินเต็มไปหมดเต็มเต็มตัวเนี่ยถ้าพวกเราเคยดูรูปสึนามิช่วงน้ําท่วมเขานั่นประเทศศรีลังกาอินเดียเขาตายเยอะๆนั่นศพเขาควอนจะเที่ยวว่าพวกะจะไปเก็บศพได้เนี่ยศพมันเลอะแล้วมัน เน่าฟูมไปแล้วให้ดูแบบนั้นเป็นอารมณ์อ่าดูแบบนั่นแหละให้ดูมาน้อมจากที่ว่าจากสมมุติมันจะเป็นวีมุดอ่าต่อไปนะมันจะเป็นอ่าแต่ครั้งแรกเนี่ยเราต้องสมมุติเอาสมมุติว่าศพเราเน่าแล้วเลอะแล้วนอนกินเต็มที่แล้วเนี่ยเอาเริ่มจากตัวนี้อันนี้แหละกําหนดแบบนี้อย่าอยู่เฉยเฉยถ้าแต่เอาแต่ความสงบนี่อันนั้นเสียเวลาหลวงพอง่อว่า วิธีสงบเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อเคยติดมาแล้วติดความสงบแต่พอศยีสิบจนถึงพศยีสิบนั่นแหละมันเสียเวลาหลวงพ่อว่าอ่นแบบนี้แหละหลวงพ่อเคยติดมาแล้วติดความสงบจิตเคยลึกซึ้งเห็นนิมิตผ่านมาเห็นนิมิตเกิดขึ้นอะไรก็ช่างมันอ่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้อย่าไปเอามันแบบนั้นให้เอาเป็นปัจจุบันของเราให้น้อมเอาแบบนี้แหละน้อมเอาสมมติ อ่ไม่ใช่คิดหรือคิดนั่นแหละความคิดคิดเอานั่นแหละครั้งแรกๆคิดเอาว่าตัวเราเน่าแล้วก็นอนกินศพแต่ต้องมีสมาธิอยู่ด้วยนะอ่าถ้าศรัทธาของเรายังไม่พร้อมนี่ยสติของเราก็ยังไม่พร้อมนี่ยมันไม่เน่าให้นะจะ ก, กําหนดให้มันเน่ามันก็ไม่เน่าง่ายๆนะต้องพยายามที่ว่าให้ใจของเราเป็นสมาธิให้ได้นี่แหละใจของเราเนี่ยว่าบางคนมันก็มันแข็งนะใจของเรามัน มันมันแข็งมันกระด้างมันไม่ยอมมันไม่ยอมรับฟังมันไม่เชื่อถึงจะว่าจะได้ยินโย่แต่มันก็ไม่ยอมมันไม่รับมันก็จะว่ายูนั่นแหละมันก็จะว่ามันมันไม่ยอมสงบได้อันนั้นไม่ได้ว่าจิตจิตมันแข็งมันยังกระด้างโย่จิตของเรามันยังไม่อ่อนมันก็เป็นคนละระบบกันนะท่านจะว่าอินทรีย์แก่กล้า อ่ผู้ผู้ที่ยังอินซียังไม่เก่กล้าเนี่ยจะนั่งไปเท่าไหร่ก็ได้ยินพูดไปเฉยเเสียงเข้าหูไปจะกำหนดแบบนี้ไม่ไม่เป็นก็เอาแค่สงบไปเฉยเเนี่ยมันแต่หลวงพ่อว่ามันเสียเวลานมันมันก็อยู่แบบนั่นแหละที่ว่าระดับระดับคนระระดับนะอกิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยของหลวงพ่อหลวงพ่อจะว่า วิธีวิธีอสมาธินี่มันเดินมันมันไม่ก้าวหน้าแต่ว่าพอพอมาฝึกหัดวิธีดูหนังเน่าเนี่ยมันก้าวหน้าไปเลยมันมีปัญญาสู้กับทุกขเวทนาเวลามันทุกแรงขึ้นแรงขึ้ น, แ ร, นแรงขึ้นเนี่ยมันมันมีตัวช่วยแอบของหลวงพ่ออา้าวทุกแค่นี้ก็กลัวตายหรือศพที่ขึ้นกองศพที่ขึ้นกองฟอนไปแล้วเนี่ยไฟลุกขึ้นไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนี มันขึ้นแบบนี้เออจริงนะเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีเปลวไฟยังไม่มีควันขึ้นเลยอ่าแค่ น, นี้ยังไ ม, ไม่ตายง่ายหรอกคนที่ที่เราเกิดมานี่นะคนละหลายล้านเที่ยวก็คือว่าตายมาแล้วหลายล้านเที่ยวเนี่ยเกิดมาแต่ละชาติก็หึงหวงว่าตัวเราของเราสมบัติของเราบางสมัยบางยุคเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านแสนล้านก็ช่าง ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทิ้งสมบัติเงินทองไว้ที่โลกนี้สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยมันอยู่แบบนี้แต่เรามาอาศัยอยู่อาศัยกินช่วงที่เรามามาเกิดนี้แต่ว่าเราหมดชีวิตไปแล้วนี่มันหมดมันเป็นของคนอื่นไปเป็นของลูกของหลานไปอันนี้มันเป็นแบบนี้การท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดมันไม่สมหวังหลวงพ่อจึงว่า แต่ถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นอดีตชาติของเราที่ว่าย้อนอดีตชาติเป็นหลายล้านเที่ยวที่เรามาเวียนไหวตายเกิดเนี่ยมันจะเกิดความสลบใจโอ้โหโอ้ โ, อโหแต่ที่เรามาเกิดชาติเดียวเนี่ยมันก็ทุกขนาดนี้มันจะร้องขึ้นทํานองนี้เลยอันนี้ใจใจของเราเนี่ยอ่ามันก็จิตดวงเดียวเนี่ยมันมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้อันนี้แหละการที่ว่า ให้รีบเร่งเอาเอาเองแต่ละคนาการทำสิ่งอื่นเนี่ยมันร่วมกันทำได้แต่ภาวนาเนี่เป็นจิตไขรจิตมันตัวใครตัวมันอันนี้แหละท่านจึงว่ามันเป็นความรู้ส่วนตัวเป็นปัจจัตังความรู้ส่วนตัวอันนี้เราะความรู้ส่วนตัวเฉพาะตัวเราถ้าความยึดติดอยู่ในกายของเราเราก็ต้องหาวิธีแยกแยกจิต แยกจิตออกจากกายก็ต้องหาวิธีวิธีแยกถ้าเราไม่หาวิธีเนี่ยเราก็จะต้องเป็นนักเล่ยล่อนเวียนวหวตายเกิดมาแสดงเป็นพระเอกนางเอกมาแสดงอยู่ในโลกนี้ละครโลกเรามาแสดงละครโลกเนี่บางทีก็เป็นมหาโจรบางทีเป็นมหาเศรษฐีบางทีก็ถว่เป็นพระยามหากษัตริย์ที่เป็นราบสารพัดที่เรามาแสดงละคร อ, อยู่ในโลก เวลาเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทุกทุกแสนทุกเอเวลาที่หนาวก็ไม่มีที่ว่าผ้าหม่มเอายุงกินสบายายุงกินเเป็นนิสัยของเขาไอา้ลูกเหบ็บพวกเหบ็บพวกาตามป่านะพวกท่าพวกเหบ็บกินพวกยุงกินเหลือ ก, กินเนี่ยสารพัดเอไม่เขาไม่มีมือเขามีแค่หางมีใบหูตีปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยมันเป็นแค่นั้น อให้คิดเอาที่ว่าอันนี้ชาตินี่เราได้เป็นคนแล้วให้รีบเร่งที่ว่าอย่าให้มันหลุดไปอย่าให้มันหลุดจากชาตินี้ไปขอให้ว่าเอามรักผลนิพพานเอาให้มันเป็นปัจจุบันให้รีบเร่งเอาแบบนี้เลยอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีอาจะ ต, ต้องจะมีอายุยีอยู่อีกหลายๆปีถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยอคนนั้นก็จะใจเย็นไม่รีบเร่งเอาอต้องที่ว่า อยากล่ำอยากรวยอยากหาสิ่งของช่วยคนนั้นช่วยคนนี้มีแต่คนที่ว่าอยู่ในใต้อํานาจของตัวเองเราต้องช่วยเขาเราต้องช่วยคนนั้นเราต้องช่วยคนนี้ภาละเหล่านี้ให้คิดเอาแบบนี้คิดว่าเวลาพ่อแม่ของเราตายนั่นแต่ก่อนพ่อแม่ของเราก็รับสิทธิผิดชอบแบบนี้คิดว่าลูกของเราโอ้ถ้ากูตายนี่ลูกกูจ ะ, ะใครจะดูลูกกูไอ้พวกเราลอดมาได้ยังไงให้พวกเราคิดเอา ก็เหมือนกันนั่นแหล ะ, ะพ่อแม่ของพวกเราตายจากไปนั้นนะ่ะพวกเราก็อยู่ได้อันนี้พวกเราอย่าไปคิดว่าคนที่อยู่ในในอำนาจของเราเนี่ยจะพึ่งเราจะพึ่งพาอาศัยของเราจะพึ่งขนาดไหนก็ช่างพระราชามหากษสัตว์ทิวยกทัพไปลบกันเนี่ยบางสมัยบางครั้งเนี่ยเต็มทุ่งนาศพศพของคนนะ่ะพระเจ้าอาโศกธรรมโศกราช ยกทัพไปรบกับเมืองกะริงคะเนี่ยศพตายข้างละแสนนะศพคนเนี่ยเป็นสองแสนแบบเนี่ยตายเต็มทุกนาอยู่ให้พวกเราคิดเอาทุกคนน่ยอยู่ในอำนาจเราแกยเรายังไม่ได้แก่ตายก็ตายแบบนั่นแหละแต่ละคนละคนเนี่ยพวกโยมผู้หญิงก็เคยเป็นผู้ชายมาแล้วเคยไปเข้าสนามรบถูกเขาตัดคอหรือว่าไปตัดคอเขาเนี่ยมาแล้วเหมือนกัน หลวงพ่อเห็นอดีตชาติของตัวเองเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นผู้หญิงผู้ชายสลับกันมาอันนี้แหละเคยบวชมาแล้วเหมือนกันอันนี้มันเห็นแบบนั้นอันนี้แหละการท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดของเรามันไม่มีความสุขมันที่ว่าเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ว่าจะมีเงินทองกองสมบัติมันก็ทุกข์ที่ว่าจะยากจนเขินใจก็ทุกข์จะเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แต่เราเราเป็นมนุษย์เนี่ย เรายังมีผ้าเรายังมีบ้านที่ อ, อยู่อาศัยสําหรับสัตว์ของเขานะ่ยสัตว์เขาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็กินกันเองอ่ระหว่างถ้าเป็นนกแบบนี้ก็มีเหยื่ยวกินนกอ่เป็นสัตว์พวกเก้งพวกวกวางตามป่าเขาก็มีสิงโตมีเสือมีอะไรต่างๆเนี่ยกินเขาอยู่แบบนั้นแต่สัตว์ทุกตัวต้องเถือว่าเตรียมตัวตายอยู่แล้วแต่และว่าย่างก้าวจะออกไปหากินเนี่ย กัวตัวอื่นจะมากัดไปกินเนี่ยสัตว์เขาแบนแบบนั้นอันนี้สมมุติให้ตัวเราเนี่ยถ้าสติเนี่ยคำว่าสติของหลวงพ่อเนี่ยช่วงที่มันเป็นช่วงมันเป็นสติเนี่ยเหมือนกับเขาจะตัดคอนะหลวงพ่อเทียบเข้ามาแบบนั้นเลยในขณะนี้เขาจะตัดคออ่าเอาใกล้จะตายแล้วเขาจะตัดคอหัวของเราจะขาดศีรษะของเราจะขาดลงไปเดี๋ยวนี้กําหนดอยู่แบบนี้อันนี้คือสติ ให้มันจดจอดจ่ อ, จอแบบนี้เหมือนกับเสือ จ, จะกระโดดเข้ามาเข้ามากัดไปกินแบบนี้ให้ให้คิดแบบนี้อ่าเขาจะตัดคอทํานอานี้อันนี้คือสติจดจ่อที่ให้มันอยู่กับกายของเราถ้าเราเผลอสติเนี่ยฝันไปเลยนะนั่งอยู่กับโมคณนะ น, นี่แหละแต่ใจเนี่ยมันลอยปรุงแต่งที่ว่าสนุกไปเลยอันนี้คือหลับในไปบางคนเป็นแบบนั้นอันนี้คือสติอ่อน อ่อินทรีย์ยังอ่อนเป็นแบบนี้อันนี่ยหละให้เรารีบเร่งเอาอ่าอาตมาจึงว่าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เหลือวิสัยให้พวกเราเร่งเอาสร้างความดีใส่ตัวเองอย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้เอาปัจจุบันเลยอ่าอย่าประวันว่าวันพรุ่งนี้เออปีหน้ากันเถอะโอ้เรายังไม่แก่เรายังจะรีบเข้าวัดให้แก่กว่านี้กันเถอะให้เจ็ดสิบปดสิบกนเถอะบางทีมันอาจจะไม่ถึงนะอ่า บางทีมันอาจจะไม่ถึงเราไม่รู้ว่ารถจะมาชนรถจะมาเหยียบหรือว่าเขาจะยิงเขาจะฆ่าตำนองเนี่ยเราไม่รู้อันนี้แหละเราไม่รู้ว่าอายุของเราจะถึงวันไหนอันนี้แหละให้รีบเร่งเอาให้เทียบเข้ามาเลยให้สอนตัวเองแบบที่ว่าให้เป็นปัจจุบันสอนให้ดูที่ว่าความเปื่อยเน่าถ้าใครดูความเปื่อยเน่าของตัวเองได้แล้วนี่มันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดที่ว่า เห็นศพเนี่ยศพของเราเนี่ยมันเน่าลงเป็นในที่สุดนอนจินแฟบลงแฟบลงลงเป็นที่ว่าดินลงเป็นดินเลยกระดูกเนื้อหนังทั้งหมดเนี่ยลงเป็นดินเอาเกิดไหมเอาเป็นศพไหมเอาเป็นศพแล้วนอนกินอีกให้มันเป็นแบบนี้ดูแบบนี้จนสานานให้จิตของเราดูจนสนานาญจะเท่าไรก็ช่างสละแล้วเราคือสละตายก่อนตายจิน นะวิธีขอ ง, ของหลวงพ่อวิธีนี้มันจึงรีบเร่งสปีดเลยเหมือนกันว่ามันจะจะตายก็ให้มันตายมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตายเลยกูไม่กลัวกูไม่ขยับไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำจะเป็นอะไรก็ช่างลมหายใจขาดขาดไปเลยตายไปเลยเนี่ยมันขึ้นแบบนี้อันนี้แหละถึงถึงเวลามันมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้แหละที่ว่าให้เอาวิธีแบบนี้หลวงพ่อจึงว่ามันไม่เสียเวลานา น, าน ถ้าเราว่าค่อยเป็นค่อยไปวันพรุ่งนี้ก่อนเธอสินหน้าก่อนเธอเนี่ยหลวงพ่อว่ า, วามันก็ไปเรื่อยๆมันก็เท่าว่ามันติดอยู่แบบนั่นแหละมันเราก็ติดเท่ว่าความหลงของเรานะ่ยความหลงยึดว่าเออ น, นั่นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยราด น, นั่นะะมะละก อ, อะส้มตําอร่อยอผัดเผ็ดอะไรรานนั่นอร่อย เราก็มีความห่วงมีความอะไรต้องการทำนองนี้คนนั้นคงจะดีคนนี้คงจะดีมันคิดแบบนี้มันคิดว่าจะพึ่งคนนั้นจะพึ่งคนนี้ลูกคนนั้นหลานคนนี้จะ เ, เขาจะเลี้ยงตัวเองเวลาแก่ามาคนนั้นต้องเลี้ยงเราอย่าไปคิดในขณะนี้เอาเป็นปัจจุบันเราคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยเอาแบบนี้หลวงพ่อไม่คิดจะพึ่งให้จะพึ่งว่าใครจะช่วยมันบอกตัวเองเลยว่า ในขณะนี้จะตายก็ช่างไม่มีใครจะเอาน้ำมาให้ดื่มแล้วหมดโอกาสไม่มีญาติพี่น้องเห็นในขณะนี้เราจะตายคนเดียวอันนี้เอาเร่งตัวเองแบบนี้อันนี้ให้รีบเร่งเอาอย่าคิดว่ามันไม่มีนะอันนี้แหละให้เร่งให้เร่งความเพียรี่แบบที่ว่าเอาพุโทโธก่อนอื่นถ้าพุโทโธของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยพุโทโธเนี่ยเป็นอันเดียวกับใจของเราก่อน นึกพุทโธนี่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้ทีเข้าทีเข้ า, ขาในที่สุดความพยายามนึกพุทโธเนี่ยพุทโธนี่เป็นอันเดียวกับใจเราอันดับแรกนะอ่าพอเป็นอันเดียวกับใจแล้วเนี่ยเราต่อมาเนี่พุทโธหายพุทโธหายก็ช่างมันอ่ามันเหลือตัวลู่อยู่อ่าอ่าแบบนี้เหลือตัวลู่อยู่ลมหายใจของเราก็เหลืออยู่ก็หายใจไปกับดูตัวลู่ไปเนี่ยวิธีมัน ต้องมันมันจะไปแบบนี้วิธีของมันนะสายทางที่จะเดินไปไปไปหาจุดของมันนะเราต้องต้องเดินไปแบบนี้วิธีลมหายใจบัดนี้เหลือลมหายใจวันนี้ลมหายใจเรารักษาลมหายใจไว้พุทโธเราหายแล้วเราไม่มีนึกพุทโธอย่างไรมันก็ไม่มีแต่ก่อนมันนึกพุทโธมันอยู่กับใจของเราแล้วบัดนี้มันมันไม่มี แต่ปับันนี้เรามีลมหายใจเราก็ดูลมหายใจไปกับดูตัวลูกไปนะเอาไปเอามาเนี่ยลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าหมดไปอีกนะอพอมันหมดเนี่ยคนจะเสียหลักนะช่วงนี้นะให้ระวังอย่าไปอย่าไปลืนตาอย่าไปสาวลมหายใจเออไม่ใช่เราตายแล้วหรือเออเราตายจริงๆแล้วเนี่ยเราจะตายจริงๆหรหายสาวลมหายใจเข้าเนี่ยถ้าเราไปหายใจเนี่ยเราเรากลัวตายเนี่ย ถ้าใครกลัวตายในช่วงนี้เนี่ยจิตจะทอนเลยในช่วงที่ว่าลมหายใจจะหมดลมหายใจขาดเนี่ยจิตจะรวมนะในช่วงนี้นะแต่แต่ใจของเราเนี่ยมันมันมันรวงตัวเองมันบอกว่าไม่ใช่เราตายไม่ใช่เราจะตายแล้วหรือเนี่ยหมดลมหายใจแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาทํานองนี้อย่าไปเผอนะตัวนี้นะถ้าเราเผอตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นจิตสงบเนี่ยให้มันตายไปเลยเอาตายเราพร้อมที่จะตายอยู่แล้ว ให้มันไปแบบนี้เลยอของหลวงพ่อมันมันสละแบบนี้เลยจะเป็นอะไรก็ช่างจะดูจนจะดูที่ว่าจิตของเราเนี่ยจะจ้องว่าวิญญาณจะออกจากร่างช่วงไหนนี่มันอยู่แบบนี้เลยมันจ้องไปเรื่อยๆ <c oughs> ทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเคยมีความสุขความสุขกับความทุกข์มันมาด้วยกันเรามีญาติพี่น้องมีพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละ เราแต่ละคนละคนเนี่ยมันอยากดีทั้งหมดนั่นแหละแต่ในที่สุดก็ต้องตายะจะมียาดีได้ว่ายาฉีดเขา่ยาสีพวกโลกตับโลกมะเร็งเขาเนี่ยอสองเข็มสองเข็มสามเข็มต่อล้านอสองเข็มสามเข็มต่อล้านเขาให้สมเข็มล้านบาทแบบนี้ก็ยังมีรักษาไปหมดเป็น30มสิล้านสี่สิบล้านก็ยังตายในที่สุด จะรักษาไว้แค่ไหนถึงวันตายต้องตายน่แหละรักษาตัวเองหมดเป็นพันล้านก็ช่างในที่สุดก็ต้องตายน่แหละจะยาดีหมอดีขนาดนั้นก็ช่างแต่ในที่สุดต้องตายแต่แต่ในขณะที่ว่าเราให้ต้องคิดว่าในในวันข้างหน้าต่อไปเราจะตายอยู่แล้ววันนี้เราเหลือชีวิตอยู่เนี่ยเรายังมีสติจดต่อใช่ว่าภาวนาได้อยู่ไอย่าให้อาโอกาสนี้หมดไป ให้รีบเร่งให้ที่ว่าดูเร่งเข้าของตัวเองเนี่ยเราจะรักกันขนาดไหนก็ต้องจากกันไปต้องเป็นศพจากกันไปจะร้องให้น้ำตาออกเป็นสายเลือดมันก็ไม่ฟืน้นถ้าตายจากกันไปแล้วน่บางคนเนี่ยแก่อายุ 70-80 เนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นนะเขาร้องให้ภรรยาตายอายุ8นี่กว่าปีแล้วใ้บ้านโคกใหญ่ศรีทาตน ไปเผาศพนะภรรยาตายร้องให้จับไปจับหีบศพที่กองฟอนภรรยาแล้วก็ร้องให้เฝ้าเลยอันนี้ความห่วงความห่วงความหลงของคนเป็นถึงขนาดนั้นอันนี้แหละความห่วงความความที่ว่าความมันยึดติดนะแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเอา้าไอ้ร่างกายของตัวเรานี่อีกต่อไปวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องตายมันต้องตายแบบนั้นแบบนั้น เราเห็นคนที่เขาตายก่อนเราแล้วเราเห็นเคยเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นปูปลาอะไรตายนั่นน่ะเราก็น้อมเข้ามาเออเราเนี่ยคนที่เขาตายก่อนเราเนี่ยเป็นเด็กอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังตายเนี่ยมันสอนตัวเองก็มาแบบนี้อันนี้หละ่ะให้เรารีบเร่งเอาอย่าพิจารว่าเออมันไม่มีอ่าอย่าไปคิดแบบนั้นมีจริงๆริงประเภทนี้นะหลวงพ่อรับรองว่าเป็นล้านเปอร์เซ็นเลยอ่าความรู้ตัวนี้มันจะเกิดขึ้น เป็นของไม่เหลือวิสัยถ้าเราทำจริงๆเนี่ยได้ผลจริงๆอันนี้ต่ว่าไอ้พว ก, กจิตวิญญาณเนี่ยพวกเราก็มองไม่เห็นอ่าไอ้เรื่องความตาย่ว่าเวทนาเกิดขึ้นเราก็เห็นอยู่เวทนาแต่เราผ่านไม่ได้แต่ถ้าเรามีลูกฮึดสู้เนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะที่เราหลวงพ่อบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่าตายมาแล้วหลายล้านเที่ยวเอาเที่ยวนี้ยังไม่ตาย เรายัางเอาพุโทโธอยู่เนี่ยเรายัางนึกถึงคุณพุทธเจ้าอยู่เนี่ยคําสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้ธรรมเนี่ยท่านก็จะ เ, เอาลมหายใจนะะั่นแหะตอนแรกอันดับแรกของท่านดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยต่อมาก็จิตรวมจิตรวมแล้วก็เกิดความรู้แล้วก็เพ่งต่อไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะว่าได้ตัดสรู้ธรรมเป็นสัพพะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มาสอนพวกเรา แต่ท่านทำผิดอยู่นั่นตั้งหกปีให้คิดเอานะพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยอดข้าวอดน้าที่ว่าสารพัดที่ว่าสลบสลดอยู่นั่นตั้งนานนะอ่ะกากลัวจะได้เห็นทำกลัวจะได้แต่สรู้รำเนี่ยยากลำบากอันนี้พวกเรามีคำสอนแล้วคำสอนขององค์หลวงตามหาบัวนี่แหละเอาปัจจุบันนี้ให้พวกเราเปิดฟังเลยอ่าหลวงพ่อนี่ที่ว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บุญจันทร์นีท่านสอนเนี่ยถูกต้องนะถ้าเป็นยิงนกเนี่ยเหมือนกับเอาปลายปืนจดยิงเลยเหมือนแบบนั้นแหละคำสอนขององค์ท่านส่วนมากก็จะว่าให้มีสติไอ้สตินี่ให้ให้ดูพิจารณากายอไอ้ไอพวกเรานี่ว่าไอ้ที่ว่าตัวมายาของกิเลสตัณหามันก็พร้อมมูลแล้ว อยู่ในกายของเราเนี่ยอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันพร้อมทั้งหมดแล้วไอ้ตัวที่จะรู้มันก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละไอ้ตัวที่มันหลงยึดว่าของกูของกูเนี่ยมันบอกว่าบ้านเราของเราเนี่ยตัวตัวมันที่มันยึดติดเนี่ยต่อไปมันจะได้รู้โอ้โหเกิดมาแล้วตายอยู่แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมาตายอยู่แบบนี้ตายแบบนี้มันเห็นแบบนั้นมันจึงได้ว่าได้เกิดความรู้ป่าเนี่ย ถ้าเราเห็นตัวนี้จิตของเรามันปล่อยวางได้เนี่ยเวทนามันจะรุ่นไหนก็ช่างความเจ็บความปวดเนี่ยอา้าวไฟนรกร้อนกวน่านี้ที่เราร้อนอยู่เดี๋ยวนี่เราทุกข์อยู่ขณานี้เนี่ยมันไม่ได้เสี่ยวนรกเนี่ยเราต้องเอาแบบนี้สู้กับทุกขเวทนาเนี่ยเอาแบบนี้อย่าไปเผออย่าไปอ่อนอ่อนโยนกับมันจะจะผ่อนผันกับใจของเราไม่ได้ถ้าใครเราเอาเอาเอ า, เอาใจเป็นตัว น, นํานี่ไปไม่ได้ หลวงพ่อไม่เสี่ยใจของตัวเองต้องฝื้นใจของตัวเองเนี่ยเอาคําสอนของพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้าบอกว่าให้มีความอดทนนี่ขันติปรมังตโปตีติขะนีความอดกั้นคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งนิบบานังปรมังวัดันติบุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนาหิปปะสิโตปลูปคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบีย น, ย น, ยนสัตว์อื่นไม่ซื่อว่าสมณะเลย สัพ ป, ปาปัสะอะากะารณนังความไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปะดาความให้กุศลถึงพร้อมอันนี้แหละพวกเราทำกุศลผลบุญก็ว่าการนั่งภาวานานี้หลวงพ่อว่าเป็นยอดกุศลการทำบุญทำทานสร้างโบสถ์วิหารสร้างเสนาสนะต่างๆอันนั้นก็ได้ว่ายังไม่ถึงใจถ้าเรานั่งภาวานาอันานี้หลวงพ่อว่าเป็นมหาบุญมันอยู่ที่นี่อาการภาวานานี่ว่ามีอานิสงส์มากกว่าการทำสิ่งเหล่านั้น แต่ก็ที่ว่าอาศัยกันนั่นแหละอาศัยที่ว่าทานศีลภาวนามาแต่พวกเรานี่ทำมามากแล้วหลวงพ่อบอกว่าไอโยมเนี่ยก็เคยบวชเป็นภิกษุภิกษุณีมากับพระเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วคนละหลายแสนเที่ยวแล้วคงที่ว่าผ่านมาแล้วคนละหลายร้อยหลายร้อยเที่ยวแล้วนะที่เราเคยบวชเคยบําเพ็ญมานี่แต่ก็แค่ความคิดของตัวเองเชื่อใจของของเราเอง เราเอาใจของเราเราก็เลยผ่านทุกขเวทธรรมนาไม่ได้อันนี้มันอยู่แค่นี้หลวงพ่อจึงว่าความทุกข์เนี่ยเอาไว้ข้างหลังอย่าคิดว่าอความทุกข์ขนาดนี้เนี่ยมันแรงที่เราเก็บเราขวดอยู่ในปัจจุบั น, นเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยวของนรกที่เราไปตกอเวกีนรกเนี่ยบางบางครั้งนะบางครัง้งบางสมัยเราทำกรรมชั่วอะไรว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่า ทิมทำไปผิดศีลผิดธรรมแล้วก็หลุดไปออกจากคนไปเนี่ยไปตกนรกซะบางทีเนี่ฆ่าคนฆ่าอะไรมากๆเยอะๆไปเนี่ยแตาทำปาณาติบาตเยอะๆเนี่ยหลุดจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นสัตวน์นรกอยู่ในอเวกีเนี่ยหลายแสนปีบางทีหลายล้านปีอันนี้แหละความทุกข์อยู่ในนรกกับทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยเรานั่งอยู่แล้วนี่ยังมีพัดลมนะอ่า อันนี้ยังมียังดีนะเนี่ยอันนี้ยังมีพัดลมนะแต่อยู่ในนรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาพัดลมไปให้เรานะอบโยมมาทูตเขาไม่ได้เอาพัดลมไปตามให้เรานะให้ระวังดีๆความคิดเนี่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่อใจของเราถ้าเชื่อใจของเราเนี่มันจะเออหยุดก่อนเถอะวันหลังค่อยทำใหม่เนี่ยอันนี้แหละถ้าเชื่อใจของเราแมาก่กอเอาขาออกลืนตาขึ้นหายใจสบาย เนี่ยมันจะเปลี่ยนอริยบทเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนอริยบทนี้ก็เหมือนกับถูกกิเลสมนันน็อกเอาน็อกเอาน็อกมาแล้วมาหลายเที่ยวน็อกมาหลายปีมาแล้วที่เราฝึกภาวนามานี่นะบางคนเน่เกิดก่อนหลวงพ่อด้วยนะฝึกภาวนาเข้าวัดมาแต่นานๆก่อนหลวงพ่อนะอาบางคนนะอันนี้หรเราก็ยังห่วงเราห่วงเราเร า, เราห่วงความเก็บความปวด ถ้าเรายังหวงความเจ็บความปวดเนี่ยเราไม่สลัดไปเนี่ยเราจะได้เกิดมาบ่อยๆเราจะได้เกิดได้ตายไปอีกเรื่อยๆไม่มีจุดจะจบเลยนะถ้าเราไม่เหืองไม่หวงไปเนียเอามันจะตายก็ตายไปเลยดูความตายของตัวเองให้มันเป็นปัจจุบันน่จิตปัจจุบันนธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยใจของเรามันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะตัดความอะไรตัวนี้ออกไปอันนี้แหละท่านว่าถ้าใครสละตายไปแล้วเนี่ย ไม่ได้มาเผาอีกไม่ได้มาเกิดอีกแน่มันมันจะตัดตัวนี้อันนี้แหละให้พวกเราเล่งเอาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยากคิดว่าเราไม่เคยเป็นเปรตเป็นผีนะเราเคยไปเกิดเป็นแล้วเป็นเปรตเป็นผู้ไอพวกกิจวิญญาณเหล่านี้แอบพวกเหล่านั้นเขาก็อยากจะเป็นคนเขาอยากพ้นทุกพ้นจากผลกรรมผลเวรเขานั่นเขาก็อยากพ้นเหมือนกันแต่ว่าผลกรรมของเขาน่ยที่เขาทํามาแล้วเนี่ยมันก็ว่า ทำนิดหน่อยเท่านั้นแหะเวลาทำเนี่ยใช้เวลาทําอยู่ขนาดเที่ยวสองเที่ยวหรือว่าอยู่สองสามปีแค่นี้แหล ะ, ะเวลาทํากรรมนั่นแหะแต่ว่าเราเวลาเราไปรับผลกรรมเนี่ยเป็นหลายแสนปีหลายล้านปีอันนี้มันไม่คุ้มค่ากันเวลาเรานั่งภาวนาเราก็เอาแบบนั้นมาเทียบเลยมันจะเก็บจะปวดก็ช่างมันเราจะดูไปคนที่เขาตายเขาทุกข์กว่านี้ แล้วอยู่ในอเวกีนรกเนี่ยทุกข์กว่านี้ที่นี่ไม่ได้เสี่ยวนรกให้บอกตัวเองแบบนี้อันนี้แหละสัตว์ทั้งหลายที่ว่าเวลาเขาไปตกนรกแล้วเขาก็มองเห็นสวรรค์เออถ้าเราพ้นจากอ่าที่เราเป็นเปรตเป็นผีแล้วเนี่ยเวลาเราพ้นแล้วเราไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะทํำความดีเราจะสร้างความดีเราฝึกหัดความดีมันมันมันตั้งเจตนาไว้แบบนี้แต่พอมาเกิดแล้วเนี่ย มาเห็นโลกแล้วก็มีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอีกก็ทํากรรมชั่วกรรมที่ว่าสารพัดเนี่ยที่เราหลงมียศถาบรรดาศักดิ์มีอํานาจมีเงินทองเยอะๆเนี่ยก็ทํากรรมได้เยอะจ้างคนนั่นจ้างคนนี้ฆ่าคนนั่นฆ่าคนนี้ยึดอํานาจสารพัดเนี่ยถ้าเป็นที่ว่าสมัยก่อนๆเนี่ยเขาก็ยกทัพไปลบกันแบบที่ว่าเหมือนกับพระเจ้ามหาพระเจ้าอาโศกธรรมราชนะ อันนั้ค่าคนน่ยคนที่เขาจะเป็นลูกกัมพาเนี่ยเป็นแสนนะเป็นแสนสองแสนคนลูกกัมพาอ่าพวกผู้หญิงจะเป็นแม่ไม้เนี่ยเป็นจํานวนแสนสองแสนก็เพราะพระเจ้ามะรำมโศกาลานั่นเป็นแบบนี้อันนี้แหละคนที่มีอํานาจใช้อํานาจเนี่ยพาธรรมอันนี้พวกเราก็เวียนว่ายตายเกิดมาเหมือนกันอันนี้การท่องที่เอเวียนว่ายตายเกิดหลวงพ่อยังว่า ถ้าใครเห็นที่ว่าอดีตชาติของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเกิดที่ว่าโอ้โหโอ้โหเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดไปทำไมที่เรามาเกิดชาตินี้อายุขนาดนี้มันก็ทุกขนาดนี้เราจะมาเกิดอีกทำไมนั่นมันจะขึ้นมาแบบนี้เล ย, เยอันนี้แหละให้พวกเราคิดเอากรรมเวรที่พวกเราทำมาแล้วเนี่ยมันต้องได้รับผลจริงๆอันนี้แหละหลวงพ่อนี่ก็เวลาผลกรรม ในช่วงเป็นเด็กในช่วงเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเคยบีบตาตะกะแตนอ่าเวลาไปไล่ตะกะแตนตัวไหนมันบินไกลๆเนี่ยหลวงพ่อจับได้แล้วเนี่ยจะบีบตามันให้ให้ตามันหลบลงข้างหนึง่งแล้วก็โยนปล่อยมันให้มันบินอีกบินเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมานี่จะตกลงมาที่เรานั่นแหละอ่ามันไปไม่ไหนไม่ได้มันมันบินเวียนมันเห็นด้านเดียวทั้งมันจะเก็บจะปวด ในที่สุดก็เอาไปกีกินเอาไปเอาไปกีไฟกินนั่นแมงแคงเนี่ยพวกแมงแคงสมัยช่วงพศ 11-12 ช่วงพศ 12-13 ช่วงเขาลบเวียดนามเนี่ยพวกกลุ่มไอพ่นเนี่ยเขาบินไปเน่เขาบินไปเป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มบางกลุ่มก็เป็น10 5, 5, ลำหลำเาบี52เขาไปกับเครื่องบินลบรุ่นเล็กนะเขาบินไปเป็นฟูงๆนะ่ ลวงพ่อก็เห็นแล้วก็เกิดความสนุกก็จับแมงแขงเนี่ยจับแมงแขงได้แล้วก็เด็ดขาเด็ดขาออกเอาดอกยญ้าขาแห้งมาเสียบเข้าขามันสองด้านก็ปล่อยไปอา้าวไอพ่นของเราไปแล้วเด็กมันเป็นแบบนั้นนะไอเด็กเลี้ยงควายเนี่ยมันดื้อด้านแบบนั้นลวงพ่อก็มาคิดเอาทุกวันนี้ปวดขาก็ปวดตาก็มีอันตรายเกิดขึ้นได้ใส่แว่นใส่อะไรเนี่ยมันก็ ผลกรรมมันก็ตามมาแบบนี้แหละที่หลวงพ่อมาบวชแล้วมันก็ตามอยู่มันก็ตามมาเก็บแขงเก็บขาสารพัดแต่ว่าต้องได้รักษาอยู่ทํานองนี้อันนี้แหละผลกรรมมีจริงๆอันนี้แหละผลกรรมวิบากแห่งกรรมที่ว่าจะยกขึ้นมาให้ดูว่าไอ้ผลกรรมของเป็ดพวกเป็ดเนี่ยพวกเป็ดเนี่ยถ้าว่ากินของส่งหรือว่า ทำความไม่ดีหรือว่ากินของสงของสงเนี่ยเปรตที่ว่าเปตพระนะเปตพระเนี่ยอ่าของที่เขาทยธรรมของของชาวบ้านเนี่ยก่อนที่เขาจะจะบริจาคทําบุญทำทานเนี่ยเขายกอธิษฐานก่อนน ะ, อะขอให้เราเนี่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ขอให้ผลทานผลศิลผลทานของเราต้องขอให้เราต้องมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานหรือว่า ต้องมีวิมานอะไรต่างๆเขาก็อธิษฐานไว้เต็มที่นั่นแหละที่เขาอธิฐานไว้ก่อนที่เขาจะถวายไปให้พระสงฆ์สร้างวัดสร้างวานั่น เ, เงินบาทหนึ่งสบาทหบาทร้อยบาทพันบาทเขาก็อธิษฐานแบบนั้นแต่พระเนี่ยหลวงพ่อสมัยขอมสมัยเป็ตประเทศขอมเรืองอํานาจ อ, อยู่ที่ภูพระบาทบบกเนี่ยเปดอยู่ที่นั่นเขาเขาเป็นพระสมัยขอม แล้วเขาก็เอาเงินประเภทนั่นแหะเอาเงินที่ว่าเออหลวงพ่อเราแก่แล้วเงินทองที่เหลืออยู่นี่ถ้าเราตายแล้วเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เราแบ่งกันไปซื้อวัวซื้อควายให้ลูกให้หลานเราซื้อวัวซื้อควายเขาก็แบ่งเงินกันในสมัยเป็นพันกว่าปีมาแล้วนะอา่าเป็นพันกว่าปีมาแล้วเปเรตเหล่านั้นที่มันอยู่ภูพระบาดบอบกเนะ็เขาก็เลยแบ่งเงินไปพอแบ่งเงินกันไปแล้วเนี่ยเขาก็ตกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นั่นเปรตเหล่านั้น หลวงพ่อได้เจ อ, อพวกเหล่านี้อันนี้ก็ว่ากายของเขานี่ยหลวงพ่อจะว่าหายสงสัยแล้วแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าของที่ไม่เห็นตัวตนเนี่ยหลวงพ่อก็คิดว่ามันไม่มีแต่ที่ไปเจอเนี่ยมันเห็นเลยวันเห็นตัวเปรตเห็นเปรต เ, เขาน่ะเปรตที่ภูผาบาทบอบอกน่ยมันก็ได้มาสู้กับสู้กับหลวงพ่อในที่สุดเขาก็ยอมยอมหลวงพ่ออัอนนี้แหล ะ, ะในพศ2599 ไปอยู่ที่นั่นก็เลยได้ไปเจอพวกนั่นไอ้พวกเปรตที่ว่าเนี่ยเขาก็หึงหวงเขาก็รักษาที่ของเขาเขาเป็นวัดของเขาอยู่ที่นั่นเขาก็วนเวียนอยู่แถวนั้นพอหลวงพ่อไปพูดผิดเขาเนี่ยหลวงพ่อไปพูดผิดคําที่พูดผิดไปเนี่ยผัวหลวงพ่อพูดให้เขาว่าผีผู้พระบาทบวบกตัวไหนมันเจ่งมาสู้กับกูเนี่ยหลวงพ่อไปพูดแบบนี้ถ้าใครอยากทดลองอยากไปดู แบบหลวงพ่อก็ไปเลยไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เจอนะไปพูดเลยอผีผู้ปาบาสตัวไหนมันเจองนะมาสู้กับกู้เนี่ยไปพูดเลยต้องเจอเลยนะอหลวงพ่อเจอเนี่ยเขาบีบเอาเขาบีบตัวหลวงพ่อเนี่ยมือเปีดเนี่ยมันใหญ่นะเขากำรอบตัวเราเลยเหมือนกับเราเนี่กำลูกไก่ที่มันตัวเล็กๆนั้นจะตายจะให้ตายหรือไม่ให้ตายแค่นั้นเขากำแบบนั่นแลย เขากำบีบเข้าเลยเนี่กระดูกหลงหลวงพ่อจะแตกกระดูกซี่โครงกระดูกแขนนี่มันจะแตกเขาเขากำช่วงตัวเนี่ยเขาบีบเข้าไปเลยเนี่ยมันจะแตกจะหัก จ, จ, จะตายใจก็จะตายอยู่แล้วอ่าพอข อ, อของหลวงพ่อมันพุทธขึ้นมานะลูกศิทธะโคตไม่เคยกลัวตายพวกไม่มีตันตวนี้เราจะสู้ตัวนี้มันขึ้นมามันก็เลยสู้พอจิตจิตสงบก่อนมันจึงจะได้เห็นเขา แต่แต่หลวงพ่อถูกเขาเขาบีบแล้วเนี่ยในช่วงนั้นน่ะมันไม่ล้มหรอกแต่มันมันไปไม่ได้ตัวเขาหลวงพ่อเนี่ยมันเจ็บมันปวดพอเขาปล่อยแล้วเนี่ยมันสัตมันมันสับบั้นมันสั่นเลยตัวสั่นลิกิกๆิกลิลิมันกลัวตายอ่ามันมันกลัวตายตัวสับั้นเลยอ่าตัวสับบั้นแล้วเดินไม่ได้ขานี่แข็งขยับตัวไม่ได้ขยับ จะเดินต่อไปไม่ได้ยืนหลวงพ่อถูกเปรตบีบเนี่ยกลางวันนะเวลาประมาณสี่ประมาณสิบหกนาฬิกาประมาณนี้ถูกเขาบีบช่วงนี้มันไม่ได้เลือกว่ากลางคืนกลางวันถ้าเราไปไปพูดแบบหลวงพ่อเนี่ยเขาเอากระทันหันเลยนะอะไปท่าทายเขาเนี่ยที่มันมีภูมิมีเปรตมีผีเนี่ยเขาเอาขนาดนั้นเลยพอท่าเท่านั้นแหละเขาเอาเลย เขาไม่ปล่อยให้มันเมื่อดก่อนอค่อยๆให้มันเมื่อดก่อนจึงเอามันเขาไม่ได้รอเลยเขาเอาเลยกลางวันเขาก็เอาเลยแบา พ, พอขยับตัวได้น้างขยับตัวได้อันดับแรกนี่มือมือเนี่ยยกขึ้นได้กำมือได้กำมือเข้ากันได้แล้วก็กำออกกำวางกำวางกำวางเท้านี่ก็ขาเรานี่ย่ำเลยขยับ อันยกยกแล้วก็ปลงลงยกแล้วก็ปล่ อ, อยลงปล่อยลงให้มันเลียดไวไหลเวียนหลวงพ่อทําแบบนั้นบริหารร่างกายให้เลียดมันไหลเวียนก่อนที่จะเดินได้นะเอาแบบนั้นเลยนะเพราะมันลอดตายมาแล้วในช่วงเปรตเขาบีบนั่นนะถ้าเขาบีบถึงห้าวินาทีคือตายเขาบีบร้องพ่อประมาณ2วินาทีหรือสมวินาทีประมาณนี้จะตายแล้วกระดูกจะหักแล้วใจก็จะขาดนะ แต่แต่ของหลวงพ่อน่ยมันมีลูกศิตาตาคตไม่เคยกลัวตายขึ้นมามาช่วยตัวนี้มันจึงรอดตายมาได้พอหลวงพ่อขยับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยพอขยับได้หน่อยๆหลวงพ่อก็เดินเลยค่อยเดินไปได้ทีละนิดทีละนิ ด, นดเอาเหมือนกับคนเป็นโรคเนบซาฝึกหัดเดินนั่ะเดินไปทีละนิดทีละนิดทีละสองสมนิ้วขยับตีนน่ะได้ทีละสองสนิ้วไปแค่นั้นละ่ะ ขยับนิแกแทกแตกิตก๊แตกแทกติ๊กแทกไปเรื่อยๆต่อมาเลียดเราก็ไหลเวียนขึ้นเวียนขึ้นเราก็ขยับก้าวยาวขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาก็เดินไปถึงบ่อน้ำํำพอไปถึงบ่อน้ําแล้วก็หลวงพ่อก็กรองน้ําขึ้นมาอาบในขณะอาบน้ําอยู่นั้นมันก็คิดขึ้นว่าเอ๊ะเมื่อตะกี้นี่อ่อ้อาวมันมันคิดตัวนี้มันคิดขึ้นว่าอ้าวถ้าเราเอ่าแต่งบาด แต่งบาดแล้วก็เดินข้ามเขาหนีจากมันไปเราก็ไปไม่พ้นมันเพราะเขาเห็นเราผีเน่มันเห็นเราเราไม่เห็นตัวเขาเราเสียเปียบเขาแบบนี้เขาเห็นเราตลอดเราไม่มองเห็นเขาเนี่ยเขารู้จักความคิดนึกของเราทั้งหมดผีเขาเห็นเขารู้แบบนั้นแต่เราเนี่มองไม่เห็นเขาอาเราเนี่เสียเปียบเขาแบบนี้บัดนี้หลวงพ่อเขาคิดว่า เราไม่มีโอกาสจะไปกราบหลวงปู่บุญจันทร์ท่านอาจารย์มหาบัวอีกแล้วองค์หลวงตามหาบัวอีกแล้วเราหมดโอกาสเราจะตาอยู่ที่นี่คืนนี้พอมันคิดตัวนี้หลวงพ่อน้ําตาไหลมันเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่าพอมันคิดถึงคุณขององหลวงตาคุณท่านหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยหลวงพ่อน้ําตาไหลแบบไม่ไม่มันห้ามไม่ไหวแล้วมันห้ามไม่อยู่ไหลออกมาเลย ตกน้ำตกตกตกไหลไแล้มาเลยมันเกิดความสลดสังเวชว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราที่ที่ว่าท่านให้ความลูกความเห็นของเราท่านก็เราไม่มีโอกาสจะไปกราบลาท่านแล้วเราจะตายอยู่ที่นี่มันก็ร้องให้น่ะมันร้องให้แบบนั้นอันนี้เกิดความร้องให้แล้วก็คิดมาว่าถ้าเราแต่งบาตรนี้เราก็ไปไม่คน้นน่ะมันนี้มันคิดตัวนี้ทีหลังอแมะเต็กี้นี่เขา เอามแม่ตะกี้นี่เขาเขาบีบตัวเราบัดนี้เขาจะหักคอนะเนีน่ยพอบอกแบบนี่แหละจิตมันจ้องเข้าไปดูกระดูกคอนี่จิตมันเป็นสมาธิเลยนะบัดหลวงพ่ออาบน้ําอยู่นั่นจิตเป็นสมาธิเลยนะมันเห็นกระดูกคอได้เลยบัดอาบน้ําอยู่นั่นมองเห็นกระดูกคอได้ชัดเลยเห็นกระดูกคอของตัวเองแล้วอาบน้ําเสร็จก็กองเอาน้ําใส่บ้องแล้วก็คอน้ําขึ้นถ้า ไปถึงถ้ำแล้วก็อาปากผ้าอาบน้ำแล้วก็คุมกีวรเข้ากดก็เริ่มไหว้พระพอไหว้พระอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปโนสาวกสั่งโคสั่งรังนามิเนยังไม่ได้กราบจิตมันรวมก่อนนะแต่ตามปกติหลวงพ่อคิดว่าจะสวดมนต์ทุกบทและจะสวดปาติโมกข์ด้วยหลวงพ่อคิดไว้นะไม่ได้สวดได้ไหว้พระย่อๆนั่นล่ะ แค่สุปฏิปัโนนั่นแหละถึงสังคคุณนั่นแหละแต่ยังไม่ได้กาบจิตมันรวมก่อนพอจิตรวมแล้วเนี่ยหลวงพ่อนั่งอยู่ในถ้ำแต่ในขณะที่มันจิตรวมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ที่ลงโลกเหมือนกับไม่มีต้นไม้เลยนะอยู่ในถ้ำนั่นแหะแต่ที่จริงมองไม่เห็นที่ไหนมองเห็นปากถ้ำก็ไม่เห็นมองมาหาปากถ้ำก็ไม่เห็นแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ในขณะจิตรวมแล้วเนี่ย สว่างจ้าไปเลยพอสว่างแล้วเนี่ยไม่มีโขดหิีนที่ไหนจะมาปิดมาบังเลยก็มองเห็นเปรตเนี่ยเปรตแต่มันเดินมาเป็นพระนะเปรตนี่มันมาเป็นพระเขาก็เอาเหตุที่เขาช่วงเขาทำกรรมนยช่วงเขาเป็นพระนั่นเขาก็เป็นพระนั่นแหละสองตัวมีเปรตสองตัวอยู่ที่ภูพบาทเขาก็เดินตามตามหลังกันมาออกจากถ้ำที่เขาอยู่เขาก็เดินมาหาหลวงพ่อมันไม่ไกลกัน ห่างกันไม่กี่เส้นเขาก็เดินมาใกล้จะถึงพอเขาจาเดินมาใกล้จะถึงนั่นแหะไอ้พวกนี้มันหึงไมมจะม า, มากกว่านี้เราก็ไม่กลัวพวกสู๋เนี่ยพวกมึงเนี่ยทำกรรมไม่ดีบวชเข้ามาแล้วไม่ทาไม่รักษาทำวินัยมันก็เป็นเปรตกตกข้างอยู่นี่แหละไอ้พวกมึงทําไม่ดีพูดแบบที่ว่าไม่เคารพเขาเลยความเคารพไม่มีในเปตหลวงพอ่อในขณะนั้น แต่ที่กินเขามาในนามพระเขาตนตัวเขาที่เขาเดินมานั่นเป็นพระอายุแปดสกว่าทั้งสองคนนะทั้งสองตัวนั้นแต่แต่ภาษาธรรมใจของหลวงพ่อเนี่ยมันบอกว่าพวกเมืองนี่ทําไม่ดีไม่รักษาธรรมวินยัยก็เป็นเปรตกข้างอยู่นี่มันบอกแบบนี้เลยอันนี้มันมันเป็นแบบนี้อันนี้แหละได้รู้ได้เห็นที่ว่าอันเวลากิจของเรามันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันเห็นเห็นช เดี๋ยวนี้ก็ยังจําใบหน้าเขาได้อจำใบหน้าเขาได้ตนตัวของเขาเนี่ยไอ้ตัวเจ้าอาวาสของเขาเนี่ยสมัยสมัยขอมเลืองอํานาจเป็นพันกว่าปีมาแล้วอตัวเจ้าอาวาสอ้วนอ้วนอ้วนกอดหลวงพ่อนิดหนึ่งอยู่นะหลวงพ่ออ้วนขนาดนี้แต่แต่เจ้าอาวาสวัดที่เขาเป็นเปรตนั่นอ้วนกว่า น, นี้อีกอแต่รองเจ้าอาวาสนี่ไม่อ้วนอเป็นคนผิวดํา ผิวดำแดงต่วรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเป็นคนผิวขาวแต่เขาก็ว่าเป็นคนขอมสมัยขอมอันนั้นหลวงพ่อเห็นแบบนี้อันนี้หละผลกรรมมันมีจริงๆแล้วก็เปรตผีพวกกิจวิญญาณเหล่านี้มันมีจริงๆถ้าเราทำกรรมไม่ดีเราหลุดจากคนเนี่ยเวลาเราไปตกอเวกีนรกหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยทุกทรมานอยู่แบบนี้อันนี้หละเขาก็ที่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าจะจะสิ้นอายุเมื่อไหร่เขาเป็นเปรตมานี่เป็นพันกว่าปีมาแล้วอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้เทศให้เขาไม่ไม่มีคําเทศแล้วก็เขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้เคารพหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้ฟังฟังเขาก็เดินจากหลวงพ่อหนีไปหลวงพ่อก็จิตถอนออกมาจิตถอนออกมานี่มันเราชนะเขาแล้วมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันมันลู่เหตุ รู้เหตุกรมันเห็นมันรู้มันเห็นไอ้พวกเรานี่มันเห็นได้อันนี้จะว่ามันพูดกันภาษาใจนะหลวงพ่อมาดเดาปากพูดนะเป็นภาษาใจพูดกันด้วยภาษาใจแต่เปรตเ่า น, นั้นหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ยินนะเขาก็ได้รู้เขาก็รู้ว่าหลวงพ่อพูดเรื่องของเขาวันนี้นะ่เขาก็ได้ยินเหมือนกันหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยภูพระบาทบับกเนี่ยอยู่อําเภอบ้านคือ ด้านตะวันตกอุดรด้านตะวันตกจังหวัดอุดรนีน่ภูผระบาทนี่จะห่างจังหวัดอุดรไปประมาณ60สิบหรือเจดสกิโลนะประมาณนี้แต่เขาได้ยินเดียวเนี่ยเปรตเหล่านั้นเขาได้ยินคำหลวงพ่อพูดเนี่ยเขาได้ยินเขาเก่งอยู่นะเขามีหูทิพย์อยู่นะแต่หูทิพย์ที่เขาเป็นเปรตเป็นผีเขาก็มีหูทิพย์เหมือนกันเขารู้ใจเขาของพวกมนุษย์เนี่ยเราคิดนึกอย่างไรเขารู้จักหมด อ่าหน้าละอายเขานะไอ้พวกกิจวิญญาณไอ้หลวงพ่อเห็นมาเยอะแยะอยู่นะไอ้พวกกิจวิญญาณเหล่านี้เป็นของที่มีจริงแต่พวกญาติโยนอย่าไปคิดตัวนั้นให้เอาพุโทโธอา่าถ้าใครอยากจะว่าโอ้อยากลูอยากเห็นเนี่ยใจของเราจะไม่รวมให้ใจของเรามันรวมก่อนให้มันมีกําลังใจก่อน อ, อย่าไปคิดเอาเอาเอาที่ว่าไอ้ส่วนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่ว่าเป็นอา่าของแถม ลองพ่อว่าเป็นของแถมไอ้สิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นพวกจิตวิญญาณพวกพวกเราเนี่ยพวกสัมภเวสีพวกลุกคเทบลูกคเทวดาเนี่ยอันนี้มันเป็นของแถมถ้าเราฝึกหัดดูหนังเน่าของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าใจของเรามันปล่อยวางแล้วเนี่ยมันไม่ยึดติดมันไม่มีความอะไรอ่ามันมันหมดห่วงว่าะนะใจของเรามันหมดห่วงแล้วมันอยู่ไปเดี๋ยวก็ตายแต่อยู่ไป ความถ้าเย่อถ้าหยาดมันหมดไปจากใจของเราความโกรธความโลภมันหมดออกจากใจของเรามันเปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยเรามีความโกรธอ่เรามีความโกนะรธ ค, ความเครียดนะมันมันเต็มที่บัด น, นี้ใจของเราถ้าเราฝึกหัดใจของเราจริงๆเนี่ยใจของเราเหมือนกับเหมือนกับพื้นดินเหมือนกับผ้าเซ็้เท้าใจของเราจะเป็นแบบนั้นเลยมันเห็นความนี่ว่าสงสารคนที่เขาพูดผิดไป คนที่เขาเป็นนักเลงที่เขาทําปาณาติบาตเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาไม่มีความะละลึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สงสารเขาว่าโอ้โหพวกเรานี่เขาก็ยังที่ว่าใจเขายังหมกมุ่นอยู่กับบาปกรรมอีกเขาก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาภายภาคหน้านี่เขาก็จะไม่มีโอกาสได้เจออีกเนี่ยสงสารแบบนี้อ่ะ พิสูสามารเนรที่พูดพูดไปที่ว่าเขาจะพูดให้เราหรือว่าเขาเอาส่วนมากมันจะเข้าข้างตัวเองนะอ่าคนจะที่ว่าคนไหนที่ว่าสลาดเขาว่าเขาเป็นคนสลาดอแต่ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเขาจะปล่อยให้คนอื่นทําเขามักจะเป็นคนลบลบล็กๆเวลาพูดเอาหน้าหรือว่าบางทีอย่างข้อวัดแบบเนี่ยคนหนึ่งต้มน้ำไว้ คนหนึ่งเอาถือถือถังถื อ, อถังไปไปใส่น้ําร้อนไปสงครูบาอาจารย์แบบนี้วิธีนี่แหละคนคนที่มารอเอาน้ําร้อนเลยนี่ไม่ยอมต้มแต่แ ต, แต่แต่รอเอาหน้าให้ครูบาอาจารย์รักตัวเองอันนี้แหะคนประเภทนี้แหละคนที่มันจะลอยกระแสโลกเกิดอา่าคนประเภทนี้คนที่ยอมเสียเปรียกทําข้อวัดปฏิบัติอะไรจะมันจะว่าการทําความสะอาด ในเสนาสนะต่างๆเนี่ยทำเซตนั้นเซตนี้ถูนั้นถูนี่ปัดพระพุทธรูปแบบเนี่ยเซตศาลาทำกุฏิวิหารอะไรต่างๆเนี่ยข้อวัดน่ถ้าใครห่วงว่าเเราเราจะทำไปทำไมเราก็ลบๆบลีกๆน่นน่ะประเภทนั้นก็ที่ว่าเป็นคนที่ว่ากําปิดบางไว้คนประเภทนั้นไม่รู้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสจะได้รู้ได้เห็นคนที่สละทำข้อวัดปฏิบัต อันนี้แหละให้พวกเราว่าการที่ว่าเราหึงหวังยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวเองหรือว่าเรามีอ่าอัดความรู้ความฉลาดแล้วเราเราจะคิดแบบนี้เนี่ยคนคนนั้นอ่ะจะเป็นคนที่ว่าไม่ไม่เอาเปียบแล้วว่าเอาเปียกเอาเอาเปียบคนคนอื่นนะใช้ใช้งานคนอื่นวิธีนี้อันนี้แหละคนคนนั้นจะจะไม่ได้เห็นคนไหนนี่วะสละทุกสิ่งทุกอย่าง อ่า ส, ส่วนไหนที่จะเป็นบุญกุศลนี่เอาหมดทําไปเลยโสรกโปกก็อดทำเวลาเราทําสะอาดห้องน้ําปัดกวดอายักษ์ใยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยใยของเรามันก็สะอาดไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นมันค่อยๆเป็นค่อยไปแบบนี้อันนี้อยู่ในวัดก็ทําพ่อวัดปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อ่าเราอยู่ในบ้านเรามีพ่อมีแม่นะเรามีพ่อมีแม่พ่ อ, ม แ, มพอมแม่ของเราแก่มาแล้ว เราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราอย่าให้ท่านน้ำตาออกเพราะเราอย่าพูดประชดให้พ่อแม่เก็บอกเก็บใจอย่าพูดให้พ่อให้แม่อันนี้ก็มีข้อวัดเหมือนกันเราอยู่บ้านเราก็ทำความดีได้เหมือนกันแต่พ่อแม่เป็นพระระหันของลูกเป็นพรมของลูกอันนี้ลหละลูกต้องการในช่วงเราเป็นเด็กเนี่ยเราทำทุกอย่างพ่อแม่ต้องเอาอกเอาใจสารพัด ร <c oughs> ้องจะไปเอ า, เ, อ า, เ, อาเงินเอากลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องการจะได้อะไรพ่อแม่ก็ต้องหาให้เนี่ยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เบิกได้ทุกวันอันนี้พ่อแม่อนุญาตให้ลูกแบบนี้ทุกคนเรามีแม่นะให้พยายามได้ว่ารักษาพ่อวัดปฏิบัติผู้ดใดอุปธรรมอุปถ า, ปถาพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีที่สุดนั่นแหละ เ, เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความเคารพ ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาของเราอันนี้เราก็จะว่าจะปิดกัน้นอบายภูมิได้เน่จะไม่ได้ตกนรกจะได้ไปสวรรค์ได้เหมือนกันอย่าคิดว่าเราไม่มีโอกาสเราอยู่เป็นญาติโยมเราไม่มีโอกาสได้ทำอวัดปฏิบัติเราไม่ได้มีเวลาเดินจงกรมได้นานนั่งภาวานานานเราได้ทำการทำงานอย่าไปคิดแบบนั้นเราทำการทางานไป เราก็มือเราก็ทำไปเขียนหนังสือเขียนอะไรก็เขียนไปแต่สติของเราก็ให้มีอยู่กับงานนั่นแหละขณะที่เราทำงานเราก็สติของเราอยู่กับงานให้มันรู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็เป็นภาวนาอยู่อยู่ด้วยกันอา่าถ้าเรามีเราเราไม่ได้ทำงานแล้วเราก็นึกพุทโธ ถ, ถ้าสติมันรู้เท่าเนี่ยมันสติมันรู้เท่าแล้วนี่ไม่มีพุทโธมันก็มีสติของมันเองนะอันนี้ให้ให้เราฝึกแบบนี้ อันนี้แหละการประพฤติปฏิบัติอย่าท้อแท้ว่าเออชาติหน้าก่อนเธอปีหน้าก่อนเธออย่ า, อาแบบนั้นอย่าเชื่อใจตัวเองเออถ้าให้เชื่อใจตัวเองจะเชื่อใครละ่ะ อ, อย่าไปเชื่อมันหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ไม่เอาเชื่อใจตัวเองต้องฝื้นต้องฝืนถ้าเราเชื่อใจตัวเองเนี่ยมันก็หวังว่าเออนอนก่อนเธอเนี่ยอย่าไปอย่าจะเชื่อมันอ่มันบอกว่า เออเหนื่อยแล้วปวดขาแล้วหยุดก่อนเธอเอพักพรก่อนเธอเอจะไปปัสสาวะจะไปเข้าห้องน้ำเหงื่อมันเต็มตัวแล้วจะไปล้างไปอาบน้ำทำนองเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างมันเราพยายามดูศพให้ดูศพของเราไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีทำทําแบบนี้อันนี้แหละวิธีทางทางเดินทางเดินไปถึงจุดหมายปลายทาง ในอริยมรรคของเราต้องที่ว่าให้อดทนแล้วก็มีความขยันสติขันติต้องมีความอดทนแล้วว่าสติให้ดีที่สุดไอตัวสตินี่เป็นตัวที่ว่าสาคัญถ้าความอดทนของเรามีสติของเรามันก็อันดับแรกเนี่ยมันมันยังไม่เก๋ามันมันยังไม่ทันนะเวลามันเจ็บมันปวดมาแล้วเนี่ยมันจะตมันจะตายจริงๆเนี่ยเอาตายตายตายตายคบริกรรมว่าพุทโธไม่ได้เนี่ย มันอันว่าตายตายตายตตเนี่ยอันนี้แหละสติของเรามันจะเข้มงวดรู้เท่าเลยบัดสติของเรามันรู้รู้เท่าอารมณ์มันจะคิดจะปรุงมันมันรู้เท่ารู้เท่ามันมันไม่ไปเลยบัดมันก็ได้ว่าอยู่พิจารณากายอ่ามันก็พิจารณากายในที่สุดมันก็แกมแจ้งในที่สุดมันก็ปล่อยวางนั่นใจของเรามันมีที่ว่ามันเรียนจบได้อ่หลักการตัวนี้มันเรียนจบได้ครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะ ประวัติหลวงปู่บัวอ่าสิรปุณโนวัดบ้านหนองแซงอ่าท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศรีอ่าอ่าท่านอ่ะเป็นอ่าหลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยต้องไปฝึกภาวนาอ่าขั้นสุดท้ายเนี่ยกับหลวงปู่บัวแต่หลวงปู่บัวก็ฝึกกับหลวงตามหาบัวนี่มาแบบนี้อันนี้พวกเราก็ยังมีคําสอนขององค์หลวงตาอยู่อ่าหลวงพ่อยาว่ามันยังเผ็ดเผดร้อนร อ, อยู่ในะีะ มักผลนี่ผ่านยังอุ่นๆเย้ายังร้อนๆอยู่เดี๋ยวนี้เปิดหลวงตาขึ้นมาทีไรก็นั่งภาวนาก็สู้ไปเลยวิธีสู้ให้สติของตัวเองดีๆวิธีฝึกหัดที่ว่าสติอ่อนสติที่ว่ามันจะเข้มแข็งเนี่ยหลวงพ่อเป็นนั่งอยู่ชั้นบนกลางคืนนะเวลากลางคืนเนี่ยหลวงพ่อขึ้นไปชั้นบนศาลาศาลาวัดสันติกาวาสขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นเวลาเราสับประงกเนี่ยหัวมันจะโคกเข้ากับต้นเสานั่งให้มันติดติดต้นเสาหลวงพ่อไปฝึกแบบนี้วิธีฝึกของหลวงพ่อที่ไหนมันกลัวมันน่ากลัวนะสาราใหญ่ๆเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยไอ้เขียดตะปาดมันกระโดดไปเนี่ยเหมือนกับเสียงตีนคนเดินแบบนี้ไอ้ไอพวกจิ้งโจกมันหลดนลงมาจากเพดานมันวิ่งมันอะไรเนี่ยเสียงดังสารพั ไอ้พวกข้างคาวเนี่ยแล้วเนี่ยบางทีบางคาวเนี่ยน้ำํำนกเข้านกเข้ามันมากินน้ํามันก็อาบน้ํามันอาบน้ําที่อาล้างล้างเท้าน่ะทบทๆทๆ ท, บ ท, บ ท, บทบเนี่ยอ่ามันก็ถ้าคนกลัวเนี่ยก็นึกว่าผีทั้งหมดนั่นแหละหลองพ่อไปฝึกหัดใจฝึกสติเนี่ยนั่งติดต้นเสาถ้ามันสปปงกนี่มันจะโขกเข่าต้นเสาเลยถ้านั่งห่างไม่ได้นะหัวแตกนะอันนี้ให้โยมทําเอา ฝึกเอาหลวงพ่อจึงว่าเป็นของพอรู้ได้พอฝึกได้พอหัดได้เป็นของไม่เหลือวิสัยเอาปัจจุบันนี่แหละอย่าคิดว่าเอาชาติหน้าอย่าไปคิดว่าชาติหน้าบางคนก็โอ้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้สมัยพระศรีอารเนี่ยพระศรีอริยเมตตาเนี่ยคงจะมีความสุขอายุก็มากคงจะมีความสุขโอ้เอาช่วงนั้นเธอเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นก่อนจะถึงช่วงนั้นเนี่ย มันกินเวลาไปอีกหลายล้านปีเราจะเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําหรือว่าเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้อีกหลายร้อยเที่ยวหลายพันเที่ยวนะอ่าที่เรามาเกิดมาตายแต่ละคนละคนเนี่ยมันหลายล้านเที่ยวเนี่ยหลวงพ่อเห็นอดีตชาติของตัวเองแบบนั้นอันนี้แหละหลวงพ่อก็พูดมาพอสมควรเจวลาอ่าที่ว่าพวกญาติโยมทุกคนก็ว่าให้ตั้งสติอ่าเข้มงวดให้เข้มงวดให้เร่งตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาจะอยู่ไปถึงหปีสิปีอย่าไปคิดแบบนั้นให้เอาเป็นว่าเอาปัจจุบันเข้ามาเลยอันนี้่หละทมที่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วจากครูบาอาจารย์มาสั่งสั่งสอนอบุญที่พวกเราบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราสะสมมาก็ให้เป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำให้ใจของเรานี่สูงขึ้นให้ในที่สุดก็ขอให้ได้รู้ทำเห็นทำทุกท่านทุกคนเถิน